หลายคนมองหน้าเห็นพาจารย์ท่านแนะนำโอ้คงแจกเก่งหน้าดูเนาะเห็นไหมห้ามคิดนะวันนี้ให้ฟังอย่างเดียวไม่ให้ถามแล้วก็ไม่ตอบถ้าอยากรู้เรื่องอะไรที่พูดไปนะฝาก ไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ด้วยเป็นต้นว่าเช่นอาจ า, ารย์ศักดาพอาจารย์กระสิน์พระอาจารย์พันเหล่านี้เป็นต้นนะไปถามเป็นลายบุคคลเราจะได้สาระตรงประเด็นถ้าเวลาปฏิบัติแต่ว่าตอนเย็นฟังธรรมะแบบสบายสบาย อย่าให้เครียดเวลาฟังอย่าเชิดตามไม่ต้องให้มันยีจานะจับความรู้สึกตัวแล้วก็ฟังเอออันนี้พอเอาไปใช้ได้จำไปนะอันนี้ไม่มีประโยชน์ให้มันหล่นทับทัลงเหมือนเราไปหาปลานะไม่ต้องไปมองเรากุ้งหอยปูอ่า ขอนไม้ท่อนไม้หญ้าอะไรที่มันติดมาไม่ต้องสนมองหาปลาอย่างเดียวถ้าอันนี้แหละคือปลาเอาเก็บไม่ใช่เก็บหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันนะสุดสดูสังรับปติปัญญาถ้าว่าเราตั้งใจฟังก็ได้ตดคิดได้ปัญญาฟังอย่างไรก็ฟังใจตัวเองด้วยทำความรู้สึกตัว อยู่นี่แหละถ้าเบื่อฟังก็กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวถ้าเบื่อความรู้สึกตัวก็ฟังบ้างอย่าจินตนาการออกไปกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกผิดไม่มีมีแต่ประสบการณ์และความเข้าใจส่วนบุคคลผู้พูดเหมือนอย่างที่เราฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเชื่อเลยก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้พิสูจน์ ถ้าจริงเราก็รับรองถ้าไม่จริงเราอาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุให้เข้าใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดในฐานะเป็นสหายธรรมเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง ก็อยากจะเล่าความเป็นมาให้ฟังนิดหนึง่งนะผู้เก่าก็รู้ผู้ใหม่อาจจะไม่คุ้นหน้าเพราะหายไปนานนะเพิ่งเกิดใหม่ย้อนหลังไปนะสักยี่สิบหกปีที่แล้วนะสมัยนั้นเคยเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่ลมสัก แต่ว่าก็อย่างนี้แหละเงินก็คือเงินเดือนก็คือเดือนนะคือเงินก็หมดแต่เดือนก็เหลือสามสิบเอ็ดวันบ้างสามสิบวันบางเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเนาะอืมก็เกิดปัญหาหลายเรื่องโชคดีนะที่มีกัลยาณมิตรคือนึกไม่ออกว่าจะไปหาใคร น เ, าา น, เนี่ยคำว่ากัลแรงยานมิตรดีตรงนี้ย้อนหลังไปอีกเนี่ยย้อนหลังไปไกลๆเพราะสัญญามันสามารถระลึกถอยหลังได้เป็นร้อยปีถ้าเกินร้อยปีไปมันเริ่มจะเสื่อมเห็นหน้าก็ใครบอกชื่อแล้วก็ไม่ได้ยินเพราะว่าหูมันก็เสื่อมนะแต่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติตอนเป็นนมเนี่ยสัญญามันก็ยังแข็งแรง กำลังก็ดีย้อนหลังไปอีกนะ้าสิบสักห้าสิบสี่ปีที่แล้วให้เราประวัติหน่อยหนึ่งเนาะเราอาตมานะเป็นคนอุดอรอุดอรธานีอ้าวอุดอรทำไมพูดไทยอะเขาพูดพอได้แต่ว่าไม่แจ้งแรงนะอย่าไปถืออายุสิบอ็ดปี ออกโรงเรียนชั้นป .4 บวชเป็นสัมมเนรแล้วก็ไม่เคยศึกเลยพอเป็นพระก็บวชพระต่อนะบวชพระต่อพันศาที่เจ็ดจึงได้มาอยู่กับหลวงพ่อมหาชื่อว่าสุพินนะแม่ตังให้ เลยไม่เปลี่ยนกลัวแม่น้อยใจแม่บอกว่าแต่ก่อนเป็นสาวไปรักพระรูปหนึง่งไปชอบพระรูปหนึง่งชื่อมหาสุพินเออแต่ว่าพระท่านไม่สนเพราะท่านอาจจะปฏิบัติธรรมก็ได้เนาะแอบรักแอบรักก็เลยอยากให้ลูกเป็นมหาไอ้ลูกชายสองคนคนหนึ่ง คุณพ่อเป็นลักมวยก็เลยตั้งให้เดชสุบินลูกพระวัปตาเลยใครพระวัปตานงวลลำพูใช่ไหมปัจจุบันนี่เป็นน้องบวลลำพูอันนี้ก็แม่บอกไม่ให้คนนี้ไม่ให้เพราะว่าเวลาไปดูมวยดูอะไรเอาขึ้นคอเนี่ยเขาต่อยกันมันร้องไห้เลยเลยตั้งเป็นมหาเลยสุพินนะเป็นอย่างนั้นอภปอสีมาก็บวช แล้วก็ไปเรียนนังสือตามระษาอายุครบยี่สิบก็บวชอะแล้วก็มาอยู่เรียนที่ขอนแก่นก็ามาเจอหลวงตาสุริยาเอาทำไมมันอยากจะมาแต่ครั้งหน้าจังเนาะเล่าถอยหน่อยก็มีพี่น้องเอาพี่น้องหน่อยเดี๋ยวจะน้อยใจเจ็ดคนเนาะจะมาเป็นคนที่สาม มันก็ไม่ค่อยไปนะเดี๋ยวเนี่ยดึงมันก็จะมาแต่ที่สำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นเอามันมาเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็มาเลยนะพศสองพันร้อยสาสบห้าทุกเรื่องเงินไม่มีไม่พอใช้ตอนนั้นสิ่งเสพติดเอาทุกอย่างเนี่ยแต่เปลี่ยนพระนะสูบุหรี่ตั้งแต่สองละสิบบาทเปนคนกวองจนถึงสองละตอนจะมาบวชนี่ น่าจะประมาณยี่สิบวันละสองสองครึ่งนะ ส, สูบคนเดียวน ะ, อ, ะอีกครึ่งหนึ่งให้เพื่อนจนเขาเรียกว่ามนุษย์เอเวจีหมายถึงว่าไม่เคยดับไฟเลยนะมันมันมันสูกไปแล้วสิบห้านาทีมันจะจุดก็ต่อกลนไว้ต่อคน ไ, ไม่ได้สูบก็ขี่ไปอนยะ่างเงี้ยจนกระทั่งว่าโอ้ยลำบากแต่ไม่ไม่รู้จักทุกเลยนะ เกียรติที่สุดคือปฏิบัติธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไปอยู่กับหลวงตาสุริยานี่ก็ถ้าไม่ถ้าเขาไม่บังคับไม่เอาเลยแต่ท่านหลวงตาท่านชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบมาเล่าให้ฟังนี่คือนิสัยเป็นคนที่หยาบมากหยาบถ้าไปสมัครอยู่วัดวัดไหนเขาบอกมีสวดมนต์ทำวัดไม่อยู่เลยวัดนี้มีเรียนบาลีเรียนนักธรรมไม่อยู่เลยคือไม่ชอบ ไปชอบพวนี้แต่ชอบกินฉนะลองศรัทธายมนี่อันดับหนึ่งความสามารถจับตัวฉันข้าวสองมื้อต่อกันได้ฉันข้าวเพนบ้านนี้แล้วก็ไปฉันข้าวเพนนมาแล้วก็ประทับใจเจ้าภาพหมดเพราะว่าเกี้ยง mm. เกี้ยงทั้งสองเจ้าเลยนะทีนี้พอมาวันที่สิบสามปุ่มพานี่เนี่ยครบครบรอบปีเกิดนะมาเนี่ย วันนั้นมามาเจอหลวงพอ่อมาหาดิเลกครั้งแรกครบรอบปีวันที่สิบสามกุมภาปีนี้มาครบมาพบหลวงพอ่อมาดีเลกวันสุดท้ายนะอเพราะฉะนั้นไม่มาไม่ได้แต่ว่าใจก็อยากจะอยู่ครบแต่ว่าวัดวัดเขาเลี้ยงก็ต้องไปทํางานให้วัดด้วยถ้าเป็นหลวงพอ่อท่านอยู่ท่านจะไล่ไปเลยไปนะอะเพราะว่า เป็นคนที่น่าสงสารในบรรดาเพื่อนทั้งห้าคนนะเนี่ยเพื่อนเออเอาเสียคนพอเนาะพระอาจารย์ศักดาอันนี้เป็นทั้งเพื่อนทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์กษินหลวงตาสุริยาอันนี้ก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยในขณะที่เป็นเพื่อนเนี่ยจะถูก ช่วยทุกอย่างจะสอนทุกอย่างนะนี่เขาเรียกว่าเข้ามาเจอกัละยาณมิตรเข้ามาโยมเอ๋ยอัตมานี่ถึงจะยากแต่ว่าเป็นคนเป็นคนจริงอย่างหนึ่งคือถ้าว่าทำนี่ ถ, ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าศรัทธาใครนี่ยอมตายแทนคือถ้าเขาจะทําอะไรนี่พร้อมที่จะตายแทนถ้าหากศรัทธานะเขาพูดง่ายๆว่าถ้ามีใครกําหัวใจได้ ไม่กลัวเลยทุกเรื่องแต่ว่ามันยากตรงที่เนี่ยแหละตอนที่จะเอาใจกันได้เนะี่ยอาตมามาเจอหลวงพ่อมหาดีเลกที่คิดมาคือท่านเป็นพุทธศาสตร์รุ่นที่ยี่สิบหกอาตมาในี่รุ่นสามสิบหกคิดว่าคนที่จะที่เราจะให้สอนได้ก็คือต้องเป็นพุทธศาสตร์เหมือนกันเนี่ยความคิดนะ คิดถึงหลวงตาสุยาก็ก่อนจะมาไม่มีอุปกรณ์อะไรเพราะตังค์หมดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเขาไม่จ่ายค่าค่าค่าสอนมาหกเดือนก็ไม่มีกฎประเอินก็เป็นหมอดูได้เนี่ยหมอดูแม่นมากอยากจะได้ผ้าไตโกรธสักชุดหนึ่งพอดีโยมอยู่อายุทยาเขาอุ้มท้อง อุมทองแล้วเขาก็ถามอ่าลุงพี่ลูกในท้องผู้หญิงหรือผู้ชายก็ จ, จับยามสามตาแต่จริงมีสี่ต า, นาเนาะใช่แต่ว่าจ ะ, จ ะ, จะยามสามตาพอตาหนึ่งเอาไว้เป็นจับเป็นผู้เป็นผู้ชายนะเขาบอกตั้งชื่อให้ด้วยอ่าได้เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วมันคลอดออกมานะ จะซื้อกดซื้อบาทซื้อผ้าไตทุกอย่างให้ไปโุรดงนี่ได้มาเพราะเด็กคนนั้นะก็เลยตั้งให้เลยปียวัดในว่าผู้จเจริญผู้เป็นที่รักอะไรก็ว่าไปแม่นไหมโอ้ยแม่นอยู่ในท้องเที่ยวหลังมาหลุงพี่จะคลอดวันไหนเอาไม่ไปถามหมอมาถามไถ่ความเชื่อของคนนะคนคนที่เชื่อก็เชื่อกินนะ เออเนี่ยจะคลอดวันไหนตัวเองอุ้มท้องไม่รู้จักแล้วยังบอกให้ไปถามหมออดันมาถามพระเออจากยามสารตาเหมือนเดิมฟุกทุกงานนะเนี่ยมาแล้วก็แค่นั้นไม่พอนะโยมนะเนี่ยพูดให้ฟังว่าเป็นหมอผีด้วยดียเออเป็นหมอผี เขาบอกองนี้รูปนี้ไล่ผีค้งมากหนาะ น, น่าเชื่อไหมเนี่ยลูกประคำใหญ่ๆนี่ต้องทำพระจันทร์สกายยังยังไม่รู้จักกันหรอกตอนมาใส่ลูกประคำแก่นมะขามร้อยแปดแล้วก็พระพุทธรูปนะองค์หน้าตักเป็นคืบนะใส่ย่า ม, มานะ่ะเพราะว่า หมอผีเมื่อจะออกป่าก็กลัวผีคือเมื่อไม่ได้อยู่ในห้องที่มันดูขังเนี่ยมันจะเวว้าเด้เต็ไหมเอาไม่เชื่อยมไปนอนอยู่เพระว่าเขาให้นอนห่างกันสักครึ่งกิโลห้าประมาณสี่ร้อยเมตรหาอเมตรตอนเข้าใขา่แต่ก่อนเขาจะนอนห่างแล้วไม่ได้มีเต็นท์มีกดนอนกดก็ใสๆแล้วลมก็เย็น แลินนอนก็มองหาใครไม่เจอความคิดมันก็เล่นงานใช่ไหมถ้าไอ้เหลือมตัวใหญ่ๆมาตายเนี่ยเวลานั่นก็เอามือขำหลับตาเนีย่ยแต่มือํำดูงเนี่ยความกลัวนะหมอผีนี่ที่อยู่ได้เพราะเชื่อว่าตัวเองขังเนี่ยใช่ไหมเออก็เป็นหมอผีพาอมาปฏิบัติโยมเลยอุปสรรค บุรี่ก็สองตั้งบนวันนั้นนะ่ะใส่ยามากแตว่าหมดนี้ก็จะเลิกนะพอมาวันที่สิบสามเขาเปิดลงเพ่อเทียนวันวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาวันที่สิบสามกุมภาสองพันหนร้อยสาสิบห้าใส่ที่วัดไอวัดทับมีขวัญตนมาอย่างแ็กๆนะเปิดเทปเปิดก็ไม่เปิดมว้วนอื่นเปิดมว้วนสูบุรียม สูบุีเนี่ยเพเล่านะผมชีดผมก็บอกว่าอา้าถ้ามึงแน่จริงมึงเข้ามาปากสิแต่มาจำไม่ได้หมดนะแต่คร่าวๆนะอาจจะไม่ถูกสำนวนมันก็บอกว่าไปไม่ได้แล้วไม่หยิบขึ้นไปเใช่ไหมท่านก็บอกว่าก็หยิบมาใส่ปากอา้าแน่จริงมึงสูบสิ สูบไม่ได้แล้วไม่ใส่ปากเนี่ยก็อาปากให้มันแล้วก็ขาดไว้ท่านก็บอกว่าเอ้ามึงลองสูบดูสิสูบไม่ได้แล้วมันได้จุดไฟนะท่านบอกว่ากว่าจะได้สูบขบวนการขั้นตอนต่างๆโอ้โหเยอะแยะกำลังจะหยิบมายมเว้ยพารททำไมรู้ว่าเราจะสูบบุหรีนะ่ะ้าเออ ถ้าจะไปแอบสูบในกดก็ควรขมงออกมาเหมือนเดิมลยทำไงทีเนี้พอดีโยมพ่อไปเยี่ยมโยมพ่อมาใกล้บ้านเนาะใกล้บ้านน้องบอลอยู่น้องบอลลังภูแล้วก็นี่ก็เป็นทาให้ควรก็เลยก็เลยออโยมพ่อเอาไปสูบหมดมั้ยหายเขาเนาะแค่นั้นยังไม่พอนะโยมเนะ่ยโยมพ่อก็นอนคืนที่นั่นมวนสองตอนเช้ามาอีกนะ พูดเรื่องพระพุทธลูกตอนไหนรู้ไหมตอนไปป่าสุขโตเดินตามอโยมที่ว่าไปนั่งปล่อยทุกข์แล้วก็เอาพระกลัวจะไม่ขังเอาห้อยไว้ต้นไม้นะ่ะแล้วก็รีบจำ้จำจมานะ่ะท่านเดินท่านก็นไม่กล้าพูดในป่ากลัวเขาจะาทำร้ายใช่ไหมรีบกลับกลับไปเอาพระ เสร็จแล้วพอออกมามีชุมชนไหนท่านก็บอกว่าท่านก็ถามนะโยมเรื่องผราเนี่ยอ่าจดลงพระนี่รักษาโยมหรือโยมรักษาพระอุ้ยโยมก็บอกว่าก็โยมรักษาพระใช่ไหมหลวงพ่อเทียนอันนี้จําจํารายละวอย่ได้นะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้าพระรักษาโยมมันก็เวลาโยมลืม พระพรกก็ต้องบอกว่านี่น้องน้องอย่าทิ้งพี่ไปแม้มันก็ต้องบอกใช่ไหมแต่นี่โยมอุ้ยตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไม่เป็นลมก็บุญแล้ววิ่งไปเอาท่านเอาอีกแล้วองค์เพื้อเริ่มตั้งอยู่หัวนอนเอาโยมพ่อเอาไปบ้านเนี่ยแต่ลูกประคำไม่ให้ลูกประคำรักมากอาจารย์ให้มาลงอักขระอันนีอ้อย่างน้อยก็มีป้องกันตัวใช่ไหม ถ้าจะไปนั่งเนี่ยไม่มีรูปไหนใสเดะมีตัวดวงตาใส่รูปเนีเอาทำไมไม่เหมือนเขาว้าเนี่ยเอาเก็บใส่ยาไมไว้หิวบุหรี่ยมก็คนเคยสูกพอวันที่สิบสามมาคาบูชาพเดีเขาก็อาจารย์ท่านก็บอกว่าวันนี้ใครจะปฏิบัติอะไรนน่ใช่ไหมโตลุ่งโอ้ ตั้งแต่วันที่สิบสามมานะโยมนะอาตมาไม่สูบบุหรีนะเพราะว่าจะสูบที่ไรก็คิดถึงมวลนั่นแหละเออแต่ว่าหิวน้ำลายเหนียวโอ้ยต้องไปขอมะนาวที่โรงครัวนะเอามาบีบใ ห, ให้ให้น้ำลายมันหายเหนียวแล้วก็มีน้ำหวยก็เป็นนอนโนันก็เป็ไผ่เพราะว่า ได้กดใหม่ภูมิใจกดไม่ใช่กดห้อยนะเป็นกดเขาเขาทำหลักให้ยาวเมตรกลางออกมันสองเมตรนอนสบายสบายนอนข้างหลักไปต่อไกลๆกลัวเขาจะว่าไม่เป็นภ้ากรรมฐานไกลๆขอไพ่ฝั่งทางโน้นแต่ใจกลัวมากนะเนี่ยได้เจอหลวงพ่อมาหาท่านก็ไม่พูดอะไรนะท่านไม่สอนอะไรนะตอนนีน้ท่านบอกไปหาอาจารย์วิมลอาจารย์วิมล น, นี่เป็นคนสอนสร้างจังหวะ อาจารย์วิมลที่อยู่ัเขาคงคานอะมันก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ให้ความเคารพเพราะว่าเป็นคนสอนยกมือเข้าไปอยู่กับท่านแต่มีความเชื่อเนี่ยเชื่ออาจารย์แต่ว่าตัวที่ทรมานที่สุดคือกินอย่างกินกินข้าวเนี่ยบาทเก้านิ้วได้ใหญ่ที่สุดคนมีอํานาจใช่ไหอคนมีอํานาจต้องบาทใหญ่ใช่ไหมามาแบบผู้มีอํานาจเลย หนาะบาทเก้านิ้วเลยโอ้โหใครก็มองเพราะเขาเล็กนิดเดียวเจ็ดนิ้วบ้างอะไรแต่พรรษาเยอะนะเจ็ดพรรษาแล้วนำะมานะี่ยเออพรรษาเยอะเออต้องไว้ลายหน่อยแล้วเป็นคุณครูด้ว ย, ดดวยใช่ไหมไปเขาก็เห็นตัวใหญ่ๆก็แต่ก่อนสายสายงานเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เลียงพรรษาเนียเอาหุนบ้าเอออาจารย์กอไปก่อนตัวใหญ่ไหม แต่ว่าก็มีครูบาอาจารย์นั่นแหละตา ก, ก่อนโดยรำเนียมแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเพื่อนที่ปฏิบัติมากเก่าท่านก็จะให้โอกาสคนใหม่นะถ้าให้คนใหม่ต่อท้ายกลัวไม่ได้อะไรมันมันคนจำนวนเยอะปฏิบัติเป็นรนะ้อยสองร้อยอาตมาก็โชคดีได้ขึ้นหน้าทุกครั้งออมองไปเต็มโต๊ะโอูมันเยอะนะไม่ได้มองข้างหลังเนี่ย <laughs> <laughs> ก็มันเยอะมันจะกินหมดไหมเนี่ยเออ ดูอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันดับแรกว่าข้าวก่อนนะอันนี้อันนี้ก็อร่อยเลยกลัวจะสูดโตนะยมมองเห็นเลยเอ้ยวินัยบอกให้เสมอขอปากบาดก็เสมอขอปากบาดจะหวานก็ใส่ฝาได้บ้างเออไงฝาขึ้นก็ใส่โอ้ฉันข้าวอร่อยมากยมแต่แต่ฉันหมดนะ เออไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าถ้าฉันเหลือสอบตกใช่ถ้าฉันไม่อิ่มก็สอบตกอันนี้หมดต้องต้องสอบได้ อ, อ่แนต่พอไปยกมือกับอย่างว่านะั่นแหละอยู่บ้านก็นอนกลางวันใช่ไหมพอมาก็ยกมือโอ้ยต้องไม่ไม่ได้ใส่ชุดอย่างนี้ได้ก็นุ่งแต่อังสะกัแบบสะบงเดินเอาไวเป็นเกณฑ์นนะ กำลังดีนะวัยรุ่นยี่สิบกว่าปีแข็งแรงที่สุดในกลุ่มเหมอนนแต่ว่าโง่ไม่ค่อยฉลาดอาตมาจึงบอกว่าถึงผมไม่รู้อะไรเนาะถ้าปัจจุบันนี้นะถ้าเขาคิดว่าเออเราเนี่ยเป็นรุ่นเก่านะรุ่นแรกที่หลวงพ่อมาหาปั้นมากับมือเลยนะเออถ้าผมไม่เข้าใจอะไรก็อย่ามาอาศัยธรรมะผมอาศัยธรรมะเพื่อน แต่เอาผมตั้งไว้เป็นปู่ชนียบุคคลนะเออพอเขาเห็นจะได้เก่งใจบ้างว่า น, นี้รุ่นแรกรุ่นแรกขังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออชวนอะไรลึกซึ้งก็ไปถามครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็มีประโยชน์ได้เห็นนั่งเฝ้าตามตาปิปิมีก็กลัวอยู่ได้เนาะเออเอาแค่นั้นพอเพราะว่าเป็นคนอยากไม่ไม่ละเอียด มาพอมาอยู่ท่านก็พาย้ายไปตามค่ายทำอะไรกลัวทุกที่โยมเนี่ยได้อาจารย์สัตดาเนี่ยไปนั่งตรงไหนท่านก็ทำทางจงกรมให้หลวงพ่อมาหาก็แนะนำว่าก่อนนอนเนี่ยให้ดูรอบๆก่อนนะอันนี้ตอไม้อันนี้ตรงนั้นคือกลางคืนมาเนะ่ะมันจะมันจะหลอกเออมันจะหลอกขนาดนั้นยังโดนเลยแอ่ทอ่า ท, ทีนะ่ะยมเวลาปวดเยี่ยงเนี่ย อาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเน้ยหลับตาหลับตาคานออกมาได้ถ้าลืมตาควรมจะเจอยิ่งเดือนง่ายๆนะ่ะไปอยู่ตอนเดือนง่ายๆไปอยู่ไอ้ถ้โดยโตนที่เชียงใหม่ไปจารย์สักดาท่านทำทางจงกรมในร่องน้ำเดินดีๆแล้วก็นั่งได้ด้วยเป็นเก้าอี้ในตัวอยู่ใกล้ๆตรไม้ทำไมครับโอ้แตทำไมองค์นี้ไม่กลัววะ ตีสองตีสามมาเดือนไงเห็นนั่งขมุมขมุมแล้วก็ตกใจกันแรกก็ดูหน้าก็เอออุ่นใจหน่อยแต่เวลามันมันอยู่ไกลกันเนี่ยวันนั้นเดือนไงไงแต่มาออกมาออกมาก็ไม่กล้าลืมตาเราแต่อเผอิญว่าจะกลับกลัวจะไม่ถูกทิศหรือเวลาไม่ใช่เยี่ยวแล้วหลับตากลับแนละ้วมันไม่ไม่ถูกเลยมันก็ลืมตาดูทิศทางก่อนว่าจะไปทางนี้หนูลืมตาขึ้นมาโยมเงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยเอาแล้วบานี้ กิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ ๆ, ๆขมุมขมุมขาวๆแล้วควักอย่างเนี้ยโอ้โหเหงื่อแตกเลยป๊าคิดทั้งคืนคืนนั้นกับว่าตอนเช้าถ้ายังอยู่เนี่ยเจอกันแน่นอนถ้าหายนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงอย่างเงี้ยก็ตื่นเช้ามาไปดูเลยโอ้ มันมันเป็นกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆยืนมาแล้วแล้วมันก็มีมันก็มีกิ่งเล็กขึ้นมาเป็นพุ่มไม้พุ่มไม้แล้วทีนี้มันก็มีพุ่มเล็กยื่นออกมาหน่อยหนึ่งสงสัยกลางคืนมันมันก็ดูแบบถูกแสงมันก็จะเรืองเรือหน่อยนะเหมือนเราเอาผ้าคลุมนะผ้าขาวแต่ว่าไอ้ไอ้ไปดูกลางวันมันก็ทำท่านั้นไอกิ่งเล็กๆมันถูกลมพัดปวเนี โอ้ยหายสงสัยเลยรอดตายประโยชน์หนึ่งเดือนนะขายมันอนหนึ่งเดือนได้อะไรเยอะแล้วก็ได้รู้จักตลงตาสุริยาเพราะว่าลวงตาสุริยานี่รู้จักนิสัยกันมาตั้งแต่เรียนหนังสืออาจะมาเป็นประธานนิสิตแล้วท่านก็เป็นรองฝ่ายวิชาการท่านก็รู้นิสัยทีนี้ท่านก็จะไม่ใช่แกล้งนะ แต่ท่านเป็นคนอารมณ์ดีตรงตานะ่ะถ้าท่านเล่าเรื่องมีคนคนหนึ่งมีพระรูปหนึ่งอาตมาทั้งนั้นวันนั้นอตมามาอยู่นี่มาเยี่ยมมาเยี่ยมอาตมานั่งอยู่ศาลาหลังเก่าตอนมาไอรักษาการเจ้าอาวาสนะ่ะโอ้โหพูดให้เพาะหน่อยอะจริงๆเขามาให้ทำงานล้อมรั้วล้อ ม, มาใไเ อ, อ็ดูนะมานั่ง ท่านมาจากวัดป่ามหาปัญโยมารถตู้หนึ่งเลยท่านมาแวะไม่รู้ท่านมาแวะเยี่ยมหรือว่าท่านมาธุระไม่รู้นะแต่ท่านแวะมามียมมากรากรามบอกว่าโอ้ดิเห็นตัวจริงแล้วเรางงเลย <c oughs> เห็นตัวจริงอะไร <c oughs> มีตัวตนจริงๆนึกว่าตายแล้วา ไปเล่าอะไรให้เขาฟังหล่ะหลวงตาโอ้ผมไม่ได้เล่าอะไรผมเล่าเรื่องไปบินท่บาทบนทางด่วนไปบินท่บาทบนทางด่วนที่กรุงเทพอะไปอยู่บ้านซอยอารีสัมพันห้าหลวงตาบอกนําหน้าบินตำบานเอออตาตมาก็ไปลอดทางด่วนทางอะไรก็ลอดไปเห็นมีบันไดก็พาไต่ขึ้นไปเออไม่มีใครมีแต่รถ ก็เดินไปสักพักหนึ่งไกลอยู่นะยมองเห็นที่เขาเจ็บเจ็บเจ็บเงิเง น, นอ่ะมองเห็นอยู่ข้างหน้าไกลๆเขาก็มาสเสกิดหลวงพ่อจะไปไหนไปเบิยนท่าบาทยอมเออมันไม่มีตรงนี้หลวงพ่อมันลงโ น, น่นไอ โ, โคราดโ น, น่นสายนี่แถวปทุมโ น, น่นเขาบอกเนี้ยคือสายจะไปบางนาตาดทางไหนไม่รู้เข า, าเออไปรถขับขับไปไม่ได้หลวงพ่อเอากลับก็กลับไม่เสียหายอะไรก่อ มอมาข้างหลังนี่ก็ยิ้มไม่พูดอะไรได้ลงมาแต่มาเหมาแท็กซี่กลับเลยกลับไม่ถูกกลับไม่ถูกมเมาแท็กซี่อ่าห้าสิบบาทเอาอาตมาไปเล่าแต่อาตมากม็ว่าอะไรหรอกมันความจริงเนาะท่านเห็นหน้าท่านกรยิ้มรักรักกันมาทัานเดียกพี่พี่พิ้นพี่พิ้นท่านรกระยิ่งอาตมาก็เรียกท่านพิยาพิย า, ยาแต่ ท่านจะอ่อนกว่าหนึ่งพรรษาสมัยนั้นเนาะเล่าอาดีตให้ฟังกินข้าวนิยมถามเนี่ยัวานี่กัลยาณมิตรเลยนะที่เล่านี้คือเล่ากนะออัลยาณมิตรนะเอหลวงตาศักดาหลวงตาสุริยาเนี่ยหลวงตาสุริยานี่ช่วยเวลาตะมาไปปฏิบัติชอบแก้งภาษาบานเราเรียกว่าชอบแกงก้งจริงช่วยช่วยนั่นแหละเวลาตะมาขี้เกียจไม่อยากจะเดินหรือว่ง่วงเนี่ยมันก็จะไปเด็ดใบไม้มา เรอบอกว่าอะไรอยาขยันแต่เชื่อนะเชื่อเพราะว่าคือสัทธาใครเนี่เชื่อยอมทุกอย่างก็เอามากินขมนั่งเฉยเฉยไม่ได้แนละ้วมันขมอ่ะฟ้าท่านลายโจร น, นั่นน่ะมวนน้ำลายแล้วก็มวนตาใสาแปลวโอ้ยเฟื่อนมันมันขมกว่าบัวเพลรหน้า หน้าเมากว่าบอระเพทเี่บยบอระเพทยังกมกล่อมใช่ไหมอันนี้ขมแบบเจีย๊ยดเข้าไปเขาเดินทั้งวันวันนั่นแ่ะเออขายันจริงนะ น, นะนะปุ้งแต่งอีกแล้วบอกให้ฟังเฉ ย, ยเฉ ย, ยนะจากความรู้สึกพยายามแยก สมบนบ่าไปถ้าไปคิดตามมันก็ขำตัวใช่ไหมทีนี้ใดแม่พิกุลไหยแม่พิกุลเต้าลงขัวอวนไม่กลัวยมเนี่ยทำตับเต่าเนี่ยมาตั้งกี่เดือนแล้วน่ะไปถึงทำตับเต่า ย, ยังบาดเก้านิ้วยังล้นเหมือนเดิมอยู่เลยยังไม่ได้ลดแถมลงข่อมหาก็ใจดีใจดีท่านรู้ไว้ ชันเยอะเนี่ยเวลายมเอานมมาถวายเอาอะไรท่านข้าสุพิณไม่ได้เอาไปเข้าครัวเด้หิวไปที่พักมานะาน่ยเออนมนะที่เป็นแพกเป็นแพกไม่ได้ไม่มีโอกาสเอาไปเข้าครัวหรอกถ้าหลวงพ่ออ้อาวสุพินเนี่ยที่พักทั้งนะัน้นนมนมคนเป็นป่องเป็นป่องอย่างเนี้ยหิวมาก็เจาะ ด, ดูหมดวันละเป็นสองป่องหมดเลยถ้ามีโอ้ย น่าสงสารหมโยอมอะน้ำปะนะถ้าเขาฉันหนึ่งแก้วอาตมา ก, ก็ต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ตัวเองเหม่ค่อยอยู่ค่อยอยู่แต่กว่านหนักแปดสิบข้าใมาไมานะ่เนาะตัวใหญ่มากคือคนกินเก่งมันก็ต้องตัวใหญ่เลยมันก็เจีน้นทุกอย่างแต่ว่าอาตมากินเนื้อดิบแต่ก่อนกินเนื้อดิบไม่กินเนื้อสุกตอนเป็นครูกินเนื้อดิบ ถ้าได้กินสาบไฟไม่กินเลยแล้วก็กินดิบๆนะดิบทุกอย่างโยมไปเจอปูก็ใส่เลยก็เจอมแมลงมุมนี่ก้นใหญ่ๆตอนมาก็จับหัวไว้ก็มันดีไดนะ้ว่ะกินดิบทุกอย่างค้นยาบเหรอคนยา บ, ยยาบไม่รู้จักเลยมาอยู่กบเพื่อนกบเมตตาหลวงพ่อยิ่งเมตตา ไปลงครัวายอมพี่คุณก็อ้าวเอาให้นะเนี่ยอยู่ได้เพราะเลี้ยงดีอุดมสมบูรณ์ไปไหนเต็มโตะทุกงานเอออยู่ได้เพราะว่ากินข้าวกูควาจะเลิกได้รู้สึกจะเป็นปีนะโย น, นเลยพันษาไปนะเนี่ยไม่รู้หรอกไอแต่ว่ายกมือนี่ขยันมากถามดูได้เดินถึงไหนถึงกัน ว่าคำวงคำมั่งก็สู้ไป่ายไหนไปได้หมดนี่เขาเลยเรียกพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาอยู่ไป่ายทุกไข้จนกระทั่งว่าคนรู้สึกตัวยังไม่รู้จักนะแต่ว่าก็ยกมือเป็นนะจนกระทั่งว่ายมเชื่อไหม ย, ยกมือเฉยเฉยเนี่ยลืมสู่บุหรี่ แล้วก็เป็นเป็นโรคดทิซีดวงเนาะกินกาแฟเยอะกินกาแฟเยอะนั่นตอนแรกได้กินเยี้ยวเพราะหลวงพ่อมหาบอกให้กินเยียวแต่ก็เป็นบุญแน่ออมกินเยี่ยวมันดีตรงที่ว่าไม่กลัวผีกลางคืนมาไม่ออกมาเยี่ยวเลยมีเจ้อรีไซเคิลอยู่นั่นแหละเออหลวงพ่อนี่แน่นอนน่าจะบอกแต่แรกๆจะไม่ต้องกลัวนานเลยเออ เพราะกลางคืนมาครับรีไซเคิลไม่ทิ้งเลยปลอดภัยไม่ต้องกลัวข้างนอกได้ไหมแต่ว่าสุขภาพดีเนี่ยสุขภาพดีเพราะามามาอยู่ตอนนี้หลวงพ่อไปเข้าคอรเรื่องมอเขียวเรื่องไห น, นโอ้ยในทางไปเข้ามันเขาเรียก ว, ว่ามันคักกว่หมอเขียวอีกเนียกินทุกอย่าง โยมโยมโรงครัวนี่เขาจะอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นใช่ไหมพวกผักเยอะๆพวกอะไรแต่ที่มันกลัวเพิ่มเติมมาก็คือไ อ, ไอ้พยาธิพยาธิกลัวเพราะว่ากินมาไม่รู้กี่ปีนายโยมนะเพื่อนตายไปสองตนกกินพเพราะแม่ครัวเขาเอายาฆ่าพยาธิมามาขึ้นบนโต๊ะ เบนดาห้าร้อยเม็ดเดียวครั้งเดียวอาตมาไปเจอสิบองก็ใส่ยาใส่บาทสิบซองคนอื่นตามหลังไม่ได้กินเนี่ยทางยาข้าหยาดึ้นไายเนี่ยกินคนเดียวกลัวพยาดอู้นมันคงจะเยอะเพราะเรกินมาหลายปีเนี่ยกินดิบทางนั้นจากนั้นมาอาตมาเลิกถ้าไปร่วมวงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ยวัดพนนหรืออยู่ที่ไหนก็ช่างถ้าในวงถ้ามองเห็นเนื้อดิบอาตมาไม่ร่วมนั่งเลย ปัจจุบันเนี่ยยังไม่กินอะไรสักอย่างในวงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่มีกิ น, นมณทะเลี้ยงหมูกระทะอดนะใส่ซองเท่าไหร่ไม่สนวากินไม่ได้แต่ถ้าไปเอาซองไปอยู่หันหลังให้แล้วรับซองเนี่ยแต่ว่าไม่กินข้าวไม่ได้จนถึงปัจจุบันนะเพราะอะไรถอยหลังนึกถอยหลังเลยโอ้มันรอดมาได้ยังไงกรรมาฐานเนี่ยพอมาเห็นอนิสงฆ์นะ โอ้ยยกมือถ้าสู่บุหรี่เนี้ยอาตมาว่าจะลำบากมากเนาะจุดชีบแล้วก็จะมาเนี้ยลงมาแล้วก็จะมนจะบอกว่าหลงพ็เทียนได้ไหมนี่เนาะเออมันต้องชีพอะ่ะมาปั๊บพิดไม่ดีก็จะไหมกีอวอนยวอยี่วขึ้นมาก็จ ะ, จะมานี่รูปมานี่โอ้ยมจินตนาการเนี่ยคงจะเป็นสำนักใหม่เลยแนะ แต่ไหมโชคดีเนี่ยวางได้เลยยกมือสวยได้ยนกะมือสวยได้ปรากฏว่ากลัวเรื่องกลัวนี่หลวงพ่อมาบอกว่าถ้ากลัวอะไรต้องไปเล่น น, นั้นนั้นหลวงพ่อมหานี่ไวมากนะท่านทําให้ดูเลยเพราะสงสัยท่านจะสาธิตว่าเป็นไปได้เนะ่ะกำลังคุยอยู่มีงูมีงูมีงูเหา่าตัวหนึ่งมันมาอแต่มาก็ไม่รู้มันเหา่าไม่เห่านะแต่มันก็เลื้อยมาแล้วยกหัวขึ้นมา หลวงพ่อมหาหวัยกว่านะจับอย่างนี้เนาะพอมันยกหัวเข้าป่าเข้มเลยไหมอาตอมาว่าโอ้หลวงพ่อไม่กลัวจริงๆเลยอาตมาก็คือคือสติไวกว่างูอีกเราเห็นเลยเห็นใจใจเลยแล้วจอุปทานมันหลอกเราอยู่อุปทานมันหลอกทางจงกลมเนี่ยไสเดือนวัดอวัดพระธาตุไม่ใช่วัดแพรแสงเทียนเนี่ย มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เดินไปนี่อาตมาว่าเออขวางทางอย่างเงี้ยไม่กล้าลงที่นั่งเลยหน้าฝนน่ะกลัวกลัวใสาเดือนจริงจริงมันตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าเราอาจจะเพ่งความรู้สึกมากแล้วมันอุปทานมันจะสร้างตัวใหญ่ขึ้นมาเหมือนเหมือนเราไปในถ้ำแล้วเรามีเพื่อนเราเดินอยู่ในถ้าถือเทียนอยู่ในถ้ำเราอยู่เราอยู่ไว้ข้างบนปากถ้าเนีงง่ยมองลงไปเรานึกว่าเปนดนะตัวสูง จิตมันจิตมันหลอนเรามันไม่ได้เห็นตามความจริงคือมันไม่ได้มองเห็นภาพที่เป็นจริงแต่ว่ามายาจิตมันหลอกเราให้กลัวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยออกยากมากเลยไอ้หมอผีนี่นะกลัวจนกระทั่งว่ายอมตายหลวงพ่อจึงให้เดินค่ายไปสำรวจค่ายกับอาจารย์ศักด์าหลวงตาสุยาเนี่ยกะว่าถ้าตายก็จะได้ไม่ต้องอะไรเองเนี่ยเอาไปมาไม่กลัว ไหว้นะ้ไม่เป็นไปลงก่อชงก่อช้างไปไนดะ้ัหมดเนี่ยนี่ยความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวอยู่นะถ้าสมมติเป็นอะไรไปก็จับความรู้สึกตัวเอาเรามาเล่าความรู้สึกตัวหน่อยหนึ่งขอเวลาสักยี่สิบนาทีนะประวัติเอาไว้แค่นั้นเนาะรายละเอียดเขาไปถามเอาผลสุดท้ายเลิกทุกอย่างโรคฤทธิ์ซีดวงหายยม จากนั้นมาตั้งแต่ปีสามหกสามเจ็ดนาถามดูได้อัตมาไม่เคยไปหาหมอนี่ยไม่เคยกินยา ม, มอ่ยจนถึงปัจจุบันแต่ว่ามีมาอยู่นี่เขาหลวงพ่อให้เงินไปสามพันเก้าบอกให้ไปตรวจสุขภาพที่แพร่ร่วมมิตรรวมมิตรเพราะว่ามี ม, มีมีลูกศิษย์อยู่ตรงนั้นแบบเหมาจ่ายเลยคือตรวจทุกอย่างบ่รู้สึกเจ็บท้องอะไรเนี่ย หนงครั้งเดียวใบออกมาดีมากโยมดีทุกอย่างแสดงว่าหมอไม่รู้จริงเมื่อเราเจ็บท้องก็เลยกลับมามาจินสมุนไพรอย่างนี้แหละของป้าพี่พ ก, พ ก, กุณ เ, เนี่ยนะพวกอมแสบพวกอะไรเงี้ยเก็บกินผักหายเนี่ยหอันั้นก็ไปอยู่เนี่ยวัดประนนอนหกปีตานเลยเคยได้ข่าวว่าไปหาหมอเป็นไข้เป็น ไม่มีเนี่ยพลังนะสุขภาพเพราะว่าแต่ว่าตัวนิสัยชอบชอบโยคะเวลาไปอบรมที่ไหนหลวงพ่อมา mm hmm. ก็จะให้สาธิตโยคะคู่กับอาจารย์กษมเพื่ได้อานิสงส์มั น, ม, นมันสุขภาพร่างกายมันดีเพราะฉะนั้นเลยมาเข้าใจตรงคำว่าความรู้สึกตัวเพราะเลยเวลาทําโยคะแบบดูความรู้สึกตัวนั้นมันตึงตรงนั้นมันปวดมึนเมื่อ ย, ยแล้วเวลาอยู่นี้ก็ยกแล้วก็ทําความรู้สึก ก็ะจะเล่าความรู้สึกตัวให้ฟังว่าสตินะทีนี้ีจะเริ่มห้ามวิจารณ์นะห้ามสงสัยฟังผ่านอาตมาก็ทําโอ้หลวงพ่อเทียนบอกให้รูรูปนามอาตมาจึงกิงอยากจ ะ, ะคุยกับครูบาอาจารย์ว่าอยากจะฝากว่าเมื่อไม่มีหลวงพ่อมาหาอยู่เนี้ยถามว่าการสอบ ตรวจลำดับการเลียงอารมณ์การรู้ภาคปฏิบัติจาเป็นไหมมันเป็นหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านวางเอาไว้ลำดับจิตที่มันจะต้องพัฒนาไปตามขบวนการทำเป็นเครื่องตรวจสอบว่าเราจบชั้นไหนเหมือนจบอนุบาลก็ให้ใบประกาศอนุบาลจบปริญญาตรีก็ให้ใบประกาศปริญญาตรีมีคนรับรอง คือมีเพื่อนรับรองว่าไม่ใช่เราจบคนเดียวนอะพี่เพื่อนมีอาจารย์เป็นผู้รับรองตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ให้พิสูจน์ได้ผ่านกระบวนการเนี่ยเพราะรุ่นใหม่นี่ไวัยเกินมาปุ๊บไม่เท่าไหร่แล้วรู้จักสังขารรู้จักความคิดปรุงแต่งรู้จักปฏิจจสมุ ป, ปบาทรู้จักเกิดดับแต่มันมีหลายระดับเลย หยาบกลางละเอียดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์มีประโยชน์ตรงเอาไว้ตรวจว่าเราพร้อมที่จะเลื่อนขั้นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาก็มาอย่างเช่นว่าหลวงพ่อเทียนพูดไว้ใช่ไหมรู้จักรูปนามอย่างเงี้ยรูปคืออะไรนามคืออะไรเราก็จะฟันธงลงไปว่ารูปคือกายนามคือใจถูกต้อง แต่ทีนี้ถ้าเขาพูดถึงว่าอารมณ์รูปนามอ่าวพูดถึงว่ารูปคือกายอันนี้เรียกว่าธาตุสี่เห็นส่วนใจมันก็มีรูปเรียกว่าขันห้าหรือเรียกว่าความคิดไม่เชื่อลองนึกถึงบ้านนีมีรูปปรากฏทันทีนึกถึงพ่อถึงแม่มีรูปปรากฏทันทีแต่อันนั้นมันเป็นรูปประขัน รูปเหล่านั้นเกิดจากอุปาทานคือเกิดจากความไม่รู้สึกตัวมันสร้างมาเป็นเงื่อนไขแล้วมันมีวิญญาณเป็นที่สุดวิญญาณมันเป็นสัญชาติญาณสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องมีวิญญาณแต่ว่ามันไม่ได้ไหมายว่ามีสติเพราะสติมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในตัวนั้นทีนี้กายตัวเนี้เขาเรียกธาตุสีมันทางานเองไม่ได้ มันจึงเป็นรูปแต่ว่าในรูปตัวเนี้ยมันมีความรู้สึกอยู่ถ้ายังไม่ตายคนตายเท่านั้นจึงไม่มีความรู้สึกตัวนี้ถ้าเป็นเป็นอยู่คุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ะชั่งความรู้สึกคู่กับกายนี้มีอยู่หลวงพ่อเทียนจึงบอกว่าให้รู้จักรูปเนี่ยมือพลิกเนี่ยรูปแน่นอนแต่น้ำที่มันติดอยู่หลวงพ่อเทียนบอกความรู้สึกตัวนี้ออกมาเลยคือตายอันนี้แน่นอนแต่ความรู้สึกตัวนี้จะหายเมื่อลมหายใจไม่มี ภาษาหนังสือเรียกควารู้สึกที่มีอยู่ประจำกายตัวนี้ว่าสัมปชัญญะไม่เรียกว่าสติเพราะในกายาจะบอกว่ามีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีความใส่ใจคือค ว, ความความความสังเกตเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสับสนเมื่อท่านพูดเพราะฉะนั้นเมื่อยมฟังบางทีบางทีจะได้ยินคาว่านามรูป นามมาลูปไม่ใช่อารมณ์รูปนามนามใครดูนามมาลูปเป็นนั่นหมายความว่าดูความคิดเป็นแล้วอารมณ์จะต้องผ่านกระบวนการมาลองรับก่อนโยมจึงจะไม่สงสัยไม่งั้นขึ้นไปสูงกลับมาก็ยังมาสงสัยว่ารูปนามมันคืออะไรจริงๆแนละ้วมันคืออะไรมันจะเหมือนเดนิมนะแล้วก็ไม่เขา้าใจว่าความคิดมันเป็นรูปหรือเป็นนามมันจะสับสนแน่นอนรับรองตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเขาเกฐานมันไม่อยาใจร้อนใจเย็น ยกมือขึ้นสติเป็นนามแต่มันอาศใสเขาพูดงไงวาใจเนี่ยมีความรู้สึกชนิดหนึ่งเรียกว่าสติเพราะฉะนั้นสติเป็นเรื่องของใจกายไม่มีสตินะสติมันมีหน้าที่ระลึกอาการใดที่มันระลึกอาการนั้นคือสติอย่างเช่นมันนึกถึงมือ สติเข้ามาอยู่ที่มือแล้วถ้ามันนึกถึงความรู้สึกมันก็จะไปอยู่กับสัมปชัญญะเมื่อความรู้สึกทางกายมาทำงานร่วมกับความรู้สึกทางใจก็คือสติมันมาอยู่กับสัมปชัญญะมันมาระลึกปุ๊บอย่างโยมพิชปุ๊บเนี่ยโยมจะเห็นสองอย่างที่เราสวนหนึ่งอิริยาบถคือเห็นการเคลื่อนไหวสองสัมปชัญญะจิตจะต้องละลึกสัมผัสสัมปชัญญะด้วยจึงจะมีอุปการะ ที่ครูบาอาจารย์พยายามเน้นว่ารู้สึกตัวความรู้สึกตัวไม่ใช่คําว่าความเนี่ยมันเป็นนามนะมันมันมั น, มนแยกออกจากคําว่าละลึกรู้ละลึกรู้เป็นอาการเป็นกิริยาแต่คําว่าความรู้สึกตัวแต่เพื่อไม่ให้คนไม่ได้เรียนสับสนแล้ถ้าเอาปริยัติมามันจะมึนๆเรียกรวมกันเลยเมื่อกายกับใจทํารวมกันเรียกว่ารู้สึกตัว อานรู้สึกตัวต้องมีใจประกอบเท่านั้นนะจึงเรียกว่ารู้สึกตัวถ้าไม่มีใจประกอบเรียกรู้สึกตัวไม่ได้ก็คือหลงหลงลืมมันก็จะกลายเป็นเนี่ยดูนะทีนี้ใจก็ไม่ใช่สติกายก็ไม่ใช่สติความคิดมันเกิดที่ใจความรู้สึกตัวมันเกิดที่กายแต่ตัวรับรู้ที่เราเราเร า, เราพูดถึงคือสติ มันระลึกทั้งกายและใจแล้วมันก็ระลึกออกไปนอกไปสู่อดีตได้ด้วยเรียกมันใหม่ว่าสัญญาสัญญาคือสติที่มันย้อนนึกไปในอดีตอดีตอดีตแต่ถ้ามันเกิดจากญาณเขาจะเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณทำไมเรียกเรียกบุเพมันก็เป็นอดีตย้อนไปเหมือนกันแต่ว่าประกอบด้วยญาณคือประกอบด้วยสติระลึกด้วยสติเป็นบุเพนิวาสานุสติญาณ เบื้องต้นแบบหยาบๆแต่ไม่ได้พูดถึงว่าขั้นการขั้นละเอียดของภารียาเจ้าแต่เราเราฝึกไงถ้ามันย้อนหลังไปเขาเรียกว่าสัญญาหลวงพ่อเทียนเราเคยได้ยินว่าหลวงพ่อเทียนจึงมีคําคําหนึ่งพูดว่าสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาเพื่อทําลายสัญญาเก่าเพราะสัญญาความจําตัวนั้นมันจําเพื่อทุกขเพราะมันเป็นหนึ่งในกระบวนการของขันห้า ขันห้าก็ดีท่าสีก็ดีมีสภาพเป็นปกติคือไตรักไม่เที่ยงเป็นทุกเห็นไหมเป็นอ น, นัตตาคือมันอยู่ในกระบวนการทุกแต่สติอยู่นอกนั้นสติอยู่นอกเพราะสติไม่ทุกสติไม่ทุกนะเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ยังแต่มันไม่ทุกเพราะฉะนั้นสติสัพยัญญะและ ก, การเฝ้าสังเกตจึงเป็นหลักของวิปัสสนาจึงจะนำ ความสมดุลของกายกับจิตให้ให้มันเกิดได้ไม่งั้นไม่สมดุลหรอมันก็เดยงหน้าเดยงหลังเนี่ยแม้แต่โยมเฝ้าดูกายโยมก็จะเวทนาเกิดโยมก็จะเอียงกันทีใช่ไหมปวดขาเอียงกันทีสบายโยมก็จะเอียงกันทีเนี่ยแต่ว่าไม่ให้ไปเพ่งนะแต่ว่าทําทําทําสบายสบายนี่แหละแต่สังเกตสังเกตไม่ใช่เพง่งไม่ใช่เข้าดูแต่มันเหมือนกับแอบดู หลวงพ่อมาหาท่านอุปมาเนาะอุปมาให้ฟังว่าขโมยนี่นะโยมนะถ้ามันจะมาขโมยของถ้าโยมนั่งดูมันอย่างเงี้ยกล้าขโมยไหมไม่มีทางก็เฝ้าดูอยู่จะใครจะกล้าขโมยเนาะถ้าโยมไปดูมันตรงๆไม่มีทางเห็นเพราะมันไม่ปรากฏให้ดูมันมันเกิดตอนเผือตอนไม่มีสติถ้ามีสติอยู่เกิดไม่ได้ แต่ว่าเผอเมื่มอไหร่ยาเผอก็แล้วกันนั่นเพราะนั้นวิธีการจ่ายเห็นอารมณ์จึงให้อยู่กับความรู้สึกในขณะเดียวกันชำเลืองบ้านเราเรียกว่าเอาหางตามองเนี่ยวาวัตมาเนี่ยอัตมามองไปหายโยมแต่จริงๆหางตามองเห็นพระอยู่แต่ไม่สนใจทีนี้สมมติว่ามีขโมยจะมาขโมยของเนี่ยนี่หลวงพ่อมาหาท่านท่านพูดให้ฟังนะ เวลามีคนมาขโมยของมันก็จะดูก่อนว่าเราเห็นไหมพอเราทาเป็นไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเรารู้แล้วแต่เราจะจับขโมยทำเป็นไม่เห็นสมบัติอยู่ทางนั้นก็ททำเป็นหันไปทางนี้นะมันก็จะย่องย่องมาทำท่านน้นท่านนี้เราไม่สนใจมันก็จะแอบปับ๊บพอมันจับปุ๊บเนี่ยเราหาันไปเลยคือความตั้งใจคือที่ตอนแรกเราสังเกตดูแล้วพอมันเกิดปุ๊บเราหันไปดู นั่นน่าเสียเลยนั่งไปไม่เป็ีนเลยเขาบอกว่าเวลาถ้าความรู้สึกตัวมันมันเข้มแข็งหรือว่ามันมีพลังเนี่ยเวลาความคิดเกิดเราปล่อยให้มันคิดไปเราทําเป็นไม่สนเนี่ยอยู่กับความรู้สึกมันก็คิดแต่ตามกระบวนการของมันจิตนะแต่ทําเป็นไม่สนอันนี้ไม่น่าสนใจความคิดไหนที่ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปไปใส่ใจมันถือว่าเป็นไร้สาระเนะ่มาดูนะแต่ทีนี้บางความคิดมันมาบ่อยเราอยากเห็นเราอยากดู อยู่กับความรู้สึกแล้วมันก็จะไหลแวะแวะมาบ้านนั่นแหละมาแล้วมาอีกมาแล้วโยมพอพอโยมจะดูความคิดนะพอมันคิดขึ้นมาพอเราเนืกอว่าเอา้ายังไม่ได้บอกว่าคิดแล้วนะพอแค่รู้สึกตัวว่าเอา้าเท่านั้นนะมันไปเองเลยไม่รู้หายไปไหนนะอย่างนี้ประมาณนี้นะอันนี้ผิดผิด ถ, ถูกต้องไปถามอาจารย์พันนะ ไปถามพระอาจารย์ศักดาไปถามพระอาจารย์กรสินไปถามพระอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์แล้วก็ปฏิบัติตรงๆมาเนี่ยแต่ที่แน่ๆคือถ้ายมลองไปําดูแล้วเอ้ยมันไม่ใช่กระถิงไม่มีประโยชน์จะไปทาอยู่ทำไมใช่ไมเหมือนอตาตมาง่วหลวงพ่อมหาท่านทำไงรู้ไ้ยไปอยู่บ้านพระอาจารย์สักดาไปเปิดค่ายอยู่ป่าทุเรียนนะแต่กินไม่ได้เพราะมันยังเล็กอยู่ ไปถ้ากินได้อาจรมาเนี่ยนั่งเนเขากำลังปลูกตูเรียนใช่ไหมความรู้สึกนะคนที่ทำอะไรแล้วมันมั น, ม, นมันจะหลบจัเกง่ายมันจะหลบอยู่ตรงนี้ก็กลัวเขาเห็นนะ่ะทานวงมันจะไปอยู่นน่นผมชอบวิเวกชอบอยู่คนเดียวเนะี่เออไปพอไปแล้วไม่มีใครเห็นหมึงตามสะตายอาามาก็ไปไป ตอนแรกก็ทําท่า ด, ดีอเดินเอ้ได้อารมณ์ดีพอเหนื่อยมาเหนื่อยมาก็นั่งสักหน่อยนั่งก็หลับเลยเด้ <im it> คนหลับนี่ไม่ใช่คนรู้สึกตัวนะจริงๆถ้าถ้าถ้ารู้สึกตัวจริงไม่หลับก็สติเป็นว่าตื่นมันจะหลับได้ยังไงแสดงว่าถ้ายมรู้สึกตัวอยู่ไม่มีทางหลับที่มันหลับคือมันเป็นเบื่อความคิดแต่ว่าดูความคิดก็ไม่ใช่แต่ว่าดูความรู้สึกตัวก็ามเฉยมันอยู่กลางๆแใจมันลอยแต่ไม่ได้ชิดอะไรนะ แต่มันลอยอืออย่างเงี้ยนั่นหลับแน่นอนมันภาษาปฏิบัติเรียกว่าเพ่งคล้ายๆกับเพ่งการเพ่งเพ่งจ้องอารมณ์ในอารมณ์อ่งี้ยไม่เป็นธรรมชาติเขาเรียกไม่สปายะเพราะนั้นลงพอจึงให้ทำแบบสบายสบายแต่ว่าสังเกตเบาๆให้รู้สึกตลอดเท่านั้นเหมือนแม่ครัวเนี่ทีมันแม่พิคุณพูดเนะี่ยทำครัวไปด้วยก็จับ ส่วนหนึ่งของใจจับอยู่ที่ความรู้สึกแต่การดูเห็นเป็นเรื่องของตานตามืออะไรมันสามารถทำงานได้แต่ความรู้สึกมันไม่หลุดออกไปจากเราเนี่ยมันต้องอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วเ ว, เวทนาปรากฏมันก็จะศึกษาอยู่แต่ไม่เลิกทำงานเนี่ยมันมันก็จะมีความสุขเหมือนอย่างโยมพออาตมาไปอยู่นั่นเหมือนกันหลวงพ่อมหาไปแล้วเพราะว่าอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล่า หรือใครขเรานะที่ว่าหลับไม่ได้เพราะไม่รู้จะมาเวลาไหนจริงๆหลวงพ่อมาวันนี้เราแอคชั่นแต่เช้าเลยได้อารมณ์ดีนะก็ว่ามาเถอะเดี๋ยวจะตอบเต็มที่ทั้งวันไม่มาเออเมื่อวานนี้ก็ไม่มาวันนี้ไม่เป็นไรสักหน่อยกำลังจะน้าลายย้อยอ้าวหลับอีกแล้วว่าเราโอ้เสียเชิงบนเลยเราเพิ่งหลับเมื่อกี้เนี่ยหาว่าเราหลับ มันก็แค่แค่ส ป, ประมกลงพ่ออันนี้ก็เือนการไปนัน่งหลักเนะี่ยท่านก็ตัวเบาเนาะเดินมาเดินมามาถึงแล้วได้ยินไม่ใช่แป๊บเดียวถ้าได้ยินเสียงใบไม้นะ่ะเหยียบเหยียบกิ่งไม้กับใบไม้นะ่ยก็อาธรมาคืยกก่อนเลยได้ยังไม่ลืมตาเลยรู้เลยถ้าก็ยกก่อนบางทีมองไปก็เป็นจิงก่าก็มีแต่ว่าอันนี้ตัวจริงเลยยืนอยู่ตรงหน้าเลย นั่งนั่งเรานั่งอยู่บนตอยังไ้พอหลับเสียงเหยียบไม้ก็เปิดเลืมตาขึ้นมาท่านไม่ว่าอะไรเนี่ยแต่ท่านถือถือไม้มาด้วยอเ น, นีกตมาเคยเคยเล่านะถือไม้มาด้วยอันหนึง่ง ก, กิ่งไม้แต่ตงแต่็นอาจารย์ก็หายหายง่วงแล้วไม่ต้องถามและคืออุบายแกงง่วงของท่านท่านก็จะมาท่านก็จะถามว่านี่อะไรคือคนที่คิดมากจะไม่ง่วง ถ้าเราเดินคิดนี่ไม่มีง่วงอยู่สามชั่วโมงก็สามชั่วโมงที่มันง่วงคือความคิดมันไม่มาแล้วแล้วความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกตัวเ네นี่ยมันก็ไม่ไม่แสดงตัวของมันมันก็เลยกัํากึง่งถ้าว่าเรากั้มกึง่งเราเพ่งปุ๊บความคิดมันออกมาไม่ได้เพราะเรากั cheer. ้นความคิดไว้ไม่ให้มันไหลเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะตึงเพิ่มเข้ามาแต่ความรู้สึกตัวก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ความคิดก็โผล่มาไม่ได้เพราะกั้นมัน หา้ามคิดอย่าคิดอย่าคิดเนี่ยใช่ไหยอาตมาก็โอ้โหหลวงพ่อจบบาลินยาเลยกิ่นไม้นี่ถามแล้วว่าอะไรโยมโยมใจคิดยังไงตกลงหลวงพ่อนี่กับผมนี่ใครไม่สมสมดุลกันแ น, น่นี่เนาะยกกิ่งไม้ไมานี่อะไรกิ่งไม้ครับอา่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ทนก็หักไม้ กะอะไรหักไม้หักครับก็มันดังแกะกับก็ไม้หักตัวเนาะท่านว่าไม้หักจริงหรือเออเราก็นึกได้คิดเ น, นี่ยนั่นคิดอีกแล้ว ก, ก็ก็ต้องคิดเนะีเ่ยเนาะเพราะท่านบอกว่าไม้หักจริงหลือเราก็ต้องคิดอ้ะการคิดก็ใช้เวลาท่านบอกนั่นปรุงแต่งอยู่นละ้วอ่าแล้วก็เห็นหลวงพ่อหักอะแล้วก็บอกหลวงพ่อหักครับ เออผมหกักทำไมไม่ร้องอุย้ยเอาอีกแล้วเอ อ, เ, อเราก็นึกได้คนหักมันต้องอุ้ยสิเนาะอันนี้มันดังแก๊กว่าจะคิดห า, าคาตอบอยู่หายไปแล้วตายไม่ง่วงเลยคิดหาคำตอบถ้าเกิดท่านกลับมาถามว่าอะไรหกักจะตอบว่ายังไงเดินหาถ้าว่าคนหกักมันก็ไม่ใช่ คนเป็นคนหักไม้ถ้าจะว่าไม้หักมันก็ไม่ได้หักเองได้ไหมคนทำมันอ่ะโอ้ได้อารมณ์ยมเดินจงกรมเป็นอาทิตย์นะไม่ง่วงเลยจนปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าอะไรหักโง่ไหมเนี่ยเอออะไรหักก็ช่างว่าวมันเถอะรู้แต่ว่าเป็นอุบายของครูบาอาจารย์เพราะนั้นหลวงพ่อมาหาท่านจะมี อ่าอะไรต่อมีอะไรสอนคนโู้ก็สอนแบบหนึ่งสอนคนมีปัญญาท่านก็สอนแบบหนึ่งหลวงพ่อมหานี่ที่สําคัญท่านเมตตาธรรมามากมากถ้าเป็นคนอื่นนะโยมนะเขาทิ้งไปตั้งแต่สามปีแรกแล้วอันนี้ไม่รู้เรื่องก็สุเพียนสุเพียนอยู่นั่นแหละโยมจะฝึกไหมล่ะสามปีไม่รู้เรื่องโอ๊ยอาตมาไปเจอลูกศิษย์ไม่เอาไหนอาตมาก็ยังตัดทิ้งเลยเนี่ย เขาว่ายังไงก็ยั่งเอามาฝึอกอยู่นั่นแหละจนเราโตแบบไม่รู้เรื่องโตแบบไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเขาว่าอะไรต่างๆมันมันความรู้สึกมันมีอยู่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าเราเลี้ยงอารมณ์รูปนามรูปทำนามมันทําเนี่ยร่างกายมันทํางานนามมันทํางานแต่จริงๆแล้ว รูปเนี่ยทํางานเองไม่ได้นะเหตุของมันคือนามทําก่อนรูปจึงทําคือใจมันต้องสั่งการก่อนมันจึงบินได้เห็นไหมรูปมันทํานามมันทําแต่ความจริงแล้วนามมันทํางานก่อนมันจึงออกมาทางกายกับวาจาถ้างั้นคนตายมันก็คุยเองได้ใช่ป่ะไม่ได้นามมันขยับก่อนเลยมีสั่งการทุกสั่งรูปเลย นะเพราะาเพราะฉะนั้นนามมันเกิดจากอุปทานมันก็จะมาสั่งรูปซึ่งไม่มีผลอะไรเป็นเพียงธาตุกายใจเป็นบาอาจ้ใจเป็นนายกายเป็นบา่าวเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องเห็นรูปมันทํางานนามมันทํางานลำพังรูปไม่มีอะไรเรากินกินแล้วก็รอตายแล้วก็ถ้าเกิดสมดุลมันไม่สมดุลธาตุดินน้ําลมไฟไม่สมดุลก็เป็นโรคแต่จริงๆตัวที่ทําให้ธาตุสีไม่สมดุลคือใจมันกินไม่ถูกวิธี ใช ม, มันเพิ่มาธาตุผิดนวนไอตัวข้างในแล้วใจมันมีตัณหาคือความอยากมีอวิชาคือความไม่รู้มันเป็นเหตุเห็นไหมมันลึกเข้าไปลึกเข้าไปเพราะนั้นแต่เราไปดูอย่างนั้นไม่ได้สติเราญาณเราไม่มีเราก็เอาหยาบหยามีดดักไว้ก่อนศีลการสํารวมขายบาจารเรียบร้อยเสือศีลอาตมานี่ไม่สํารวมจนถึงปัจจุบันเขาเรียก ง, งา่ายๆแบบไปที่ไหนเขาบอกพระศีลห้าทั้งนั้นเลย ไม่สองรอยี่สิบเจ็ดอะมาอยู่ตรงนี้กันเองนะบโยมโสภาถ้าอะไรไม่ให้ฉันอย่าเอาขึ้นโต๊ะนะกนันณ้าอะไรไม่ให้ฉันอย่าขึ้นโต๊ะข้าขึ้นโต๊ะจะมาฉันหมดนะถือว่าถวายเล้ยเนี่ยเขาจะต่อยเอาอยู่บนรถรถทัวร์นะเป็นผ้านี่นะเป็นนั่งกับเขา ตอนนั้นตอนนั้นปฏิบัติใหม่ๆอยู่เดินทางไปไหนไม่รู้กรุงเทพหรือที่ไหนไม่รู้ไปคนเดียวเ ข, เขาหรือบอกไม่พัยผายไปคนเดียวนะอาตมาไปไปกินน่องไก่อยู่บนรถทัวร์นายโยมก็เขาแจกอะถ้าเขาไม่ให้ฉันก็แจกแต่น้ําก็พอแจกแต่นมก็พอใช่ไหมอันนี้เรามานั่งโยมผู้ชายอยู่นี่เราก็อยู่นี่เขาก็แจกจ่ายค่ารถเท่ากันะ่ะเออเขาก็ต้องแจกเท่ากัน มาแล้วก็เออเปิดดูมันอะไรว้าเนี่ยโอ้น้องไก่เว้าหน้าอร่อยก็กินเลยแล้วมันหิวเดี๋ยวบ่ายออ่ะเตอนตอนกลางคืนเนี่ยทุ่มสองทุ่มนี่แหละก็กินโยมก็มองแล้วมองอีกเออจะไม่ว่าเลยนะอาตรยมันก็กินเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําเจ็บสัมภาระแก่ก็หันมาถามอ่ะหลวงพี่ภาคนี้ฉันน่องไก่ได้ด้ยอามากว่าเ อ, อ๊ไม่เห็นติดคอนี่ยโยม โอ้เท่านั้นแหละไม่คุยกับอาตมาสูตรทางเลยแต่ดีมันไม่ต่อยเนาะอาตมาว่าเออก็ไม่เห็นติดคอน่ยโยมก็ลงทุกคำเนาะโอ้โหไม่ตายก็บุญแล้วโยมเ อ, อ้ยได้มาเล่าเนี่ยขถาดนั้นนะแต่แต่ว่าถามว่าทุกความความทุกข์ที่มันมีมันมันก็ไม่เท่าไหร่คืออราอาจจะเป็นว่าเราเป็นคนไม่สิ้นเลียนเนี่ย ใครจะ ด, ดา่าบางทีก็ต้องมีคนมาบอกว่าเขาดา่าเขาดานะ่านั่นน่ะมันเจ้าเกโกรธถ้ารู้ว่าเขาดา่าถ้าปกติไม่ค่อยใส่ใจเนะนี่ย น, นี่คแบบือนิสัยรับโอหลงพ่อมหานะจับมาเลี้ยงวันมาวันที่ท่านบรณาภาพนี้อาตมามาเลยตั้งใจบอกหลวงพ่อห้ามเข้าก่อนผมไปถึงนะป้ากุ่ามีนักเรียนรอเลยทางนี้ก็รอพอมาไหว้เสร็จบรรจุพอดีนั่นมาครั้งแรก กับหลงพอเจ้าขุนนะนี่เป็นครั้งที่สองที่มารอบสองแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติบูชางานนั้นอีกเพราะฉะนั้นเป็นพี่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้หรอกถ้าถ้าถ้าใช้กำลังนะบอกทานเจ้าพี่ทุบห้องน้ำหน่อยเรียกเรียกแป๊บเดียวยอดาบเลยนะแต่ถ้าบอกสร้างเนี่ยไม่เอาทำไม่เปลี่ยนถ้ายิ่งให้คิดน่ยนะแล้วเลยวางแผนวงไม่มียม แต่ถ้าคุณคุณวางเสรยจแล้วนะใช้ผมเลยนะผมอย่างง่ายๆว่าคุณเป็นใจผมเป็นกายก็แล้วกันนะเอาลงไปไม่มีตายยิ่งทํางานยิ่งแข็งแรงคนเนาะใช่ไหมอะไรเงี้เป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็การยานมิตรส่วนหนึ่งคือแม่ครัวเนี่ยตลอดเลยเวลาอาตมาท้อแท้นะอรักผู้หญิงนะอาตมาเป็นคนออ่รักผู้หญิงเอาไม่รักไงผู้หญิงเลี้ยงเนาะ มาแม่ครัวก็ผู้หญิงอันนี้ก็มีแต่ผู้หญิงไนไงไม่รักยังไงเนาะใช่ไหมไม่รักบางทีคเขาก็โยนแม่พี่คุณเพื่อนนี่แหละปลอดใจให้อยู่ได้นะบางทีลงทุนตัดผ้าไตใหญ่ๆให้โอ้ยเป็นกําลังไงพอได้ผ้าใหม่ก็อยากอยู่ให้มันเก่าได้เป็นบอเอออยู่ได้นะโยนแต่ไม่รอดไม่รอด จันสุญาไปทังสำนักสามเก้าเฮ้ยจยัสดาไปสามเก้าหลวตาสุยาก็ไปไปสามเก้าสี่ศูนย์อัตมาก็เหลือคนเดียวกับสองคนกับจันกสินแล้วงานเต็มงานอบหลุมโอ้ยเราก็เอาแบางไว้หลอดหนีไปไปอยู่แสแก้วไปอยู่แล้วก็หนีอีกเขาไปตามหลวงพ่ออยากให้ไปอเมริกาหยมเพราะอัตมาพอจะเดาภาษาฝรั่งได้บ้างกอเลยท่านอยากให้ไป เป็นเจาวาดีรัดเวกัสแต่ตะมาไม่ชอบฝรั่งคือตอมาชาตินิยมเป็นชาตินิยมคือถ้าตะมาไปต้องมีข้าวเหนียวไก่ย่างสบตําถ้าไม่มีตะมาอยู่เอาตมาจึงรู้จักโยมวัดลาวมีไช่บ่อเลยแต่ไปกินผักกรถินที่วัดห่อข้าวไปกินเพราะดันมีข้าวเหนียวแต่ที่รัดเวกัสก็เก่งนะโอ ย, อยากกินซุปหน่อไม้มีเลยอยากกินแกงเห็ดพอแกงเห็ดทอด มีตลอดปีแจงเห็ดแล้วฝรั่งแกงปลามาให้กินโอ้โรสชาติสุดยอดรสชาติฝรั่งแจงปลาเคยเห็นไหมเคยกินไหมโอ้โรสชาติฝรั่งอาตมาไม่ชอบอาหารฝรั่งนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ที่อยู่ไม่ไม่ไม่ได้อาหารฝรั่งนี้กินน้อยอิ่มนานแต่ว่าไม่ใช่วิธีของคนคนอีสานเยไปอยู่สิงคโปร์ก็ถ้าได้ข่าวว่ามีเลี้ยงข้าวเหนียวส้มทำไม่เคยพลาด ชอบมันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยไหมมีส้มตาวันไหนมาตักอาหารทุกวันนะแต่ถ้าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาไม่เคยทุกวันนี้กินน้อยโยมถือว่าเรื่องกินเป็นเรื่องไร้สาระมาสําหรับอัตตานนะีคือมันเหนื่อยหรือว่าแก่ก็ไม่รู้กินข้าวแต่ละทีนี่หอบเลยนะกว่าจะอินมนะโยมลองนึกดูแต่ถ้าไปกินสามมื้อเนี่ยโอ้ยให้กินมื้อเดียวแล้วก็กินน้อยๆมันจะได้ทํางานเบาๆ ฮอโอ้ยแอบไปเห็นเยอะโอยอันนั้นของชอบของชอบนถ้าเป็นข้าวเหนียวนี่ต้องติบเบลมของใหญ่ใหญ่แต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ค่อยย่อยเพราะว่าไปไปเป็นคนไทยนานนะที่นี้อาตมาก็เลยเอา้าตามเวลากำหนดเลยแล้วยี่สิบแต่ไม่เป็นไรเนาะเล่าได้เนาะเนี่ยน็ยกอาตมาจะกลับได้นี้ เรา้ดังนี้ก็เล่าถึงาบางคนสงสัยว่าอาตมามคงจะพันษาเยอะนยะเลยนะหลายคนบอก้อสมัยหลวงหลว ง, งตามอะหลวงต า, งตาสุริยาต้องพันษาเยอะเปล่าอันนี้บวชใหม่เนี่ยบวชใหม่เป็นเด็กใหม่อยู่เพราะนั้นต้องเาคารพครูบาอาจารย์เห็น ไ, ไห พระมหาวีรพันธ์เนี่ยไปอยู่เป็นสมณีน้อยแต่ว่ายุคปัจจุบันลูกหลานเป็นครูของปู่ญาติตายายไม่ได้ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะเขาเรียนมาเขามีความรู้เราอ่านไม่ออกเราก็ต้องให้เขาสอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งรูปศิษย์เป็นทั้งครูอาจารย์เป็นทั้งเพื่อนเราโชคดีว่าเราเป็นผ้าใหม่เขาก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นอกจากว่าคนรู้จักเรา พระใหม่ก็นั่งหางแถวในชายใช่ไหมงานไม่เยอะถ้าเกิดสามสิบพันษาต้องนั่งหน้าได้บ่ายเนาะไม่รู้เรื่องก็โอ้ไม่ได้แล้วอาตมาก็ทำไมทาไมทาไ ม, าไมเป็นงั้นก็เล่าเรื่องเมื่อกี้ไงเป็นคนชอบรักผู้หญิงก็เลยไม่รอดไปอเมริกามาก็ไปเจ อ, เ อ, อคนแม็กซิกันเพื่อนไปเรียนหนังสือด้วยกันกไ็ไปเรียน บางทีก็โดนกอดบ้างเพราะวัฒนธรรมไปใหม่ๆบุกเบิกโอล่าบางทีก็กอดแก้มตุๆอย่างนี้ก็มีนายโยมะอาตม่มากขนชิง <c oughs> เพื่อนเป็นเจ้าวาดวัดรสีลังกาก็บอก อ, อ๋อกากอดเลยไม่เป็นไรโสีลังกาบอกไม่ได้โยมเขารู้จักอันนี้เป็นพระนะตอนไปเรียนด้วยกันก็ก็เขาก็ถามว่าเป็นพระพ่อคุณทางานอะไรยัว จัวฟาเถอะเหมพ่อคุณเป็นอะไรเราก็บอกฟาเมอร์ตาลูกเลยเพราะฟาร์เมอร์ตามประเทศเขามีฟาร์มอ่ะอุยพ่อคุณรวยเขาก็จะมากรีดเราจีนะ่ะมันไม่รู้ว่าชาวนาทุกขนาดไหนเรียบ้านเราพอฟาร์เมอร์ของเขาต้องมีรถแท็กเตอร์มีเครื่องบินพ่นมีที่เป็นพันๆไล่มีวัวมีมาอะไรเงี้ยเขาก็คุยกับเราดีจังเลยลเขาก็แอบมาเวลามีงานที่วัดใช่ไหยเขาก็มาดู แล้วคุณทำไมอยู่หน่าสงสารอย่างไราันมื้อเดียวกินข้าวมื้อเดียวหน่าสงสารก็บอกพ่อตั้งรวยแล้วทําไมทําตัวอย่างนั้นก็บอกว่านี่พระเอาผ้าเป็นไงผ้าคือนักบวชต้องแล้วแต่เขาให้แล้วมันก็ถามนะแล้วคุณแต่งงานได้ไหมไม่ได้พ่อบอกแต่งงานไม่ได้ไม่คุยกับเราเลยเอาทําไมไม่คุยกันใช่มาคุยไปก็ไม่มีประโยชน์ได้หรอแต่งงานไม่ได้เนะ อะไรประมาณนี้นะอันนี้อาตมาคิดเอานะแต่เขาว่าจะไม่คิดนะเพราบอกว่าแต่งงานไม่ได้ไม่ค่อยคุยกับเราด้วยเพื่อนเรา่ะอาตมาก็พาครูคุณครูไปงานอาหารเนาะนี่นียมที่ลาชเบกอรก็มาแต่ว่าก็คุยซีเลียสที่จริงนะอยอมนะแต่อาตมาก็เป็นคน อ, อจริงจังนะจะมาเป็นคนจริงจังอย่างนี้กับเลยไม่ชอบ เวลาไปโรงเรียนที่หนึ่งอาตมาก็ใช้วิธีไหว้เขาก่อนเนี่ยเพราะว่าอาตมาเป็นพระมุทู่รุ่นห้าหลวงพ่อทองหลวงพ่ออะไรที่ที่หลวงพ่อมหาเนีรุ่นสามรุ่นสี่เนี่ยเขไาไลกันคือเพิ่งจะบุกเบิกส่งไปใหม่ๆแต่ปัจจุบันรุ่นยี่สิบกว่าเลยมาไปเพราะวาไปโรงเรียนปุ๊บนี่เห็นใครช่างอาตมาไหว้ก่อนเลย Good morning ยกมือไหว้เขาเห็นเรายกมือไหว้เขาก็ไหว้ตามเนื้อฝรัง่ง ถ้ายืนนยาย่นมือนี่เขาก็ยื่นมือแต่แเขาบอกว่าไอ้ถามแม็กซิโกเพื่อนบอกว่าไอ้เขาไม่ค่อยชอบเช็ดแขนเพราะไม่รู้เอาไปจิ้มอะไรบ้างเกาแล้วก็มาจับเขานะ่ะเขาก็เลยเอาแก้มอ่าเอาเอาตัวตแส ด, ดงความอบอุ่นให้กันเขาวางงัน เ, เลยกลายเป็นวัฒนธรรมแต่ว่าฝลังเขาจับเช็ดแฮนแต่ว่าเอาเอมันก็มีเหตุผลนะเขาบอกว่ามันรู้จิ้มอะไรบ้างนี่เกาต้นเกาอะไรแล้วก็มาเช็คแฮนน่ะ ครับแต่เราก็เลยเอาแบบนี้เลย good กูดม้อนมันบอกกูดม้อนี่ยผมก็ถามว่าทำทำไมเราก็ได้มีอธิบายวัฒนธรรมนะบอกว่าเนี่ยถ้าทำคุณเนี่ยคุณทำอย่างนี้นะไปบ้านชันเนี่ยเขารักท้ายเลยบัตหลังมามันก็เห็นเราวันก็พูดม้อนหนิงนะเออดีขึ้นมาช่วงหลังมาอาจะมาอยู่แค่สี่เดือนรับกระเีมเสียดโยมส่งค่ารถเยอะก็เลยมาเลยไม่กลับเลย จนถึงปัจจุบันนะทิ้งเลยพาสปอร์ตรับยังสงสารโยงยู่ซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับให้หายเลยเอาไปเสียบไว้วัดป่านันไม่เอามาเลยเพราะว่ามีมีความรู้สึกบางอย่างที่มันมันเห็นว่าการไปสอนเขามันไม่ใช่พอไปแล้วปุ๊บเราวัฒนธรรมเราไปไม่กี่คนเขาก็เกืนเราใช่นไหมทุกคุณต้องขับรถเองครแล้วคุณมีไม่กี่คนคุณจะมาเอาวัฒนธรรมคุณมาได้ไงว่าฝรั่งเขาเยอะกว่า กลายเป็นว่าเราจะต้องแปลงล่านไปตามเขาด้เขาใส่เสื้อแล้วก็ใส่เสื้ออากาศมันร้อนก็ต้องทำเขาทําอะไรทําเอาไปมันก็เป็นโยมดีๆนี่แล้วจะไปสอนกรรมฐานตอนไหนก็สอนได้แต่นี่คนที่ไปทํ า, า ว, วัดเช้าวัดเย็นไปตักบาตรบรรพะไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอยากจะสอนอุ้ยบ้านเราเยอะแยะอะไรเงี่ยก็เลยบอกเขาตอนสุดท้ายว่าเอางี้นะคุณคุณหาค่าเครื่องบินแล้วก็ไปที่ประเทศไทย แต่ชอบสำนักไหนไปเรียนเรียนเรียนเรียนเข้าใจแล้วค่อยมาสอนกันเองแะเพราะอันนั้นมันมันเยอะกว่าใช่ไหมแต่วิธีแบบวัดราเบ ก, การยกมือก็มีโยมเก่าๆที่เป็นกรรมการนี่แต่ทำบุญดีนะใครว่างเช้า ว, ว่างเย็นเขาคอยมาแล้ก็มีวัดลาวเพื่อนแล้วก็มีวั ด, วววดตดไทยอีกหลายวัดเนี่ยคือเพราะกลับขึ้นมาโยมหีแม่แม่ตายแล้วแม่ก็เคยมาปฏิบัติกับ แม่พี่คุณโอ้ตายสุดยอดนะแม่นะตายจนวินาทีสุดท้ายรู้สึกตัวตลอดเนี่ยแต่พ่อนี่ไม่ไม่มาพ่อเลิกบุรีไม่ได้ท่าบอกพ่อไปปฏิบัติธรรมเออไปทะลุเอ ย, เอยขอให้บรรลุนิพพานเนอะแต่พ่อไปไม่ได้ติดอะไรบุรีเออถ้าใจเลิกบุรีตายซะดีกว่ากว่าเลยไม่ไม่แต่พ่อตอนนี้ก็ตายแล้วนะเสียหมดแล้วทีนี้ก็ อาตมาก็เลยหนีมาอยู่ในเพชรบูรณ์เนี่ยมาอบลมอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ไปช่วยปีเดียวปีสองมาสืบแล้วอบลมเน้นภาคเดือนร้อนแล้วก็เปิดคอร์สประจำปีครั้งเดียวได้อา น, นิสงส์อยู่เบเนี่ยเนี่ยได้ได้แฟนมายังไม่ได้จ่ายค่าดองด้วย ก็เลยวิบากกรรมมันมีคิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไปวันใดวันหนึ่งคิดว่ามันไม่หลุดก็เลยเนื่องจากเราเป็นมอสูมันก็ยังไม่หมดก็จับยามสามตาโยมเลยปัปั๊อ้ภายในเจ็ดปีได้บวชแน่นอนนั่นเก็บบาทเก็บกีวรไว้กาวนิ้วนั่นแหละเก็บไว้อล้วแล้วกปรากฏว่าเจ็ดปีเขาให้มาบวชแก้บนให้สิบห้าวัน พอาวดวโอเรื่องอะไรจะสืบเนาะทำงานกวอาจะได้แต่ละบาทเห็นผ้าอยากจะใส่ทำบุญอย่างนี้ก็นึกถึงหน้าสล้ อ, อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่กล้าทำเนี่ยเ ข, เ, ข เ, ขเขาอดแล้วก็ก็จะว่าเนาะเนี่ยอย่างนั้นเลยเข้าใจเลยครับว่าศรัทธาของโยมนะทำบุญด้วยศรัทธาแอบคนให้เยอะๆแสดงว่าไม่ธรรมดานะโยมนะ คำว่าศรัทธาเนี่เข้าใจเลยเพราะเราไปหาพระไปเจอพระอยากจะทําบุญสักห้าสิบบาทเนี่ยมันต้องคิดถึงบ้านกว่า น, นะว่าบ้านจะกินอะไรเนี่ยแต่เมื่อก่อนใช้เงินไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าศรัทธาคือลําบากไงนี่คื อ, คอโอ้มันก็มันก็ดีนะแล้วที่สําคัญคือเราเป็นโยมเราเราเอาการปฏิบัติเนี่ยไปใช้นะ่ะเนี่ยเนี่ยอาตมาเข้าใจโยมเลยตอนเป็นโยมเนี่ยความรู้สึกตัวตอนเป็นโยมเนี่ย เอาไปใช้ที่โรงงานเนี่ยเจ็ดปีนะเจ็ดปีโอ้สุดยอดตั้งใจเลยพอบวชสิบห้ามันไม่ไปแล้วทีนี้ตั้งอย จ, จะปฏิบัติทำความรู้วยสิบตัวเพื่อเป้าหมายด้วยบไหมเพื่อเป้าหมายเพราะภาระหมดแล้วเขาไม่ห้ามเลยเขาไม่ห้ามเลยเข้าป่าเขาไม่ห้ามเลยเนี่ยอิสระเลยเออ ทีนี้เวลามาทําความรู้สึกตัวเมื่อก่อนทำํำใบรุ่นทำแบบนั้นเองไม่มีเป้าหมายแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําเพื่อให้รู้สึกตัวแล้วให้มันใช้งานได้เหมือนคนมีอายุไปเรียนหนังสือจะไปมั่วแต่ก็เอ้ยก็ไกลข้อยะไรเราไม่ได้มันอายุมันจากัดมันต้องเรียนรู้ตัวกอไก่ก็ต้องเอาไปใช้กอไก่เลยเขียนได้ตัวไหนต้องใช้ทันทีเป้าหมายกับเด็กไม่เหมือนกันเด็กเรียนเพื่อจบแต่ผู้ใหญ่เรียนเพื่อใช้งานใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันอย่างอย่างวเราเนี่ยเราต้องทำความรู้สึกตัวเพื่อใช้งานไม่ใช่ทำเพื่อให้มันเยอะเหมือนวัยรุ่นเขามีพลังแล้วเขาเขายังมีอนาคตอีกไกลเขาก็มีเวลาแต่อย่างเรานี้ไม่ได้แล้วบอกได้ไมล่ละเมื่อไรจะไปเนี่ยบอกไม่ได้เลยความตายอันนี้จังทุกครั้งนะตายอยู่เฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นจำเป็นยใจั้งผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านะ อดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาปัจจุบันต้องทําตามที่ครูบาอาจารย์แนะนํานะครูบาอาจารย์แต่ละวันจะมาฟังโอ้ยหูเข้าสู่ความรู้สึกตัวเราทั้งนั้นจึงไม่ต้องพูดอธิบายรายละเอียดเนะียใช่ไหมแต่ที่จะมาพูดได้ฟังเนี่ยลูกมันเป็นโลกนาำ ม, มันเป็นโลกจริงๆใจมันเป็นโลกก่อนกายมัน จ, จึงเป็นโลกเพราะอะไร มันตกอยู่อันนี้จังทุกครั้งหน้าตาแล้วมันเป็นสมมติมันจะจิตมันจะขึ้นมาสู่ปรมาัตน์ถ้าเมื่อไหร่จิตมันพลิกครั้งแรกโยมจะไม่ต้องดูก็ได้ความคิดมันจะเห็นของมันเองอันนี้ไม่ใช่รูปนามอะไรที่ไม่ใช่รูปนามเนี่ยมันเป็นนามารูปทังนั้นแหละจิตมันก็จะทรงทรงพื้นฐานเอาไว้ไม่ตายโยมไม่ไม่ถอยแต่ว่าคั้งหน้ายังอีกไกล การแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ความง่วงความเบือควาเสี่ยงมีไม่มีแต่วิธีแก้มันง่ายเพราะนั้นเวลายงง่วงนะเช่อย่างพวกนี้ยมไปเดือนนะถ้ามันง่วงทางง่วงพอยกมือสร้างอย่างไม่ต้องไม่ต้องสร้างยิ่งสร้างมันก็ยิ่งจะเพิ่มความง่วงแต่เนาะเวลาถ้ามันง่วงพ่อสร้างอย่างไรปุ๊บยมหยุดเลยชมนกชมหนูไปสัไหนก็ได้หรือว่าบีบแข้งบีบขาไปสักหนให้มันเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ยงก็กลับมาดูใหม่มันไม่ง่วง ถ้าถ้ายมทิ้งช่วงมันยาวมันก็จะหายไปเลยถ้าถ้ามันถีคือยังไม่ได้หายง่วงดีเลยยมกลับกลับเข้ามามันก็เล่นงานอีกอย่าไปเสียดายว่าโอ้เสียเสียดายเวลาที่เล่นเล่นจริงๆมันเป็นอุบายทำรรเรีย ก, กื่กุสโลบายความรู้สึกตัวทำเมื่อไหร่มันก็ปรากฏเมื่อนั้นนะอย่าไปน้อยใจแต่ว่าปัญญาเบื้องต้นต้องแก่ทางกายต้องแก่มันหนาวมันร้อนมันอะไรแก่แลยแต่ก็เพื่อนที่ช่วยได้เยอะ เพราะฉะนั้นอะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาสนะสิ่ละอัานไปนละน้อยน้อยอยอมเนาะจับต้นชนตายเอาเองนะประวัติก็ไม่จบอภูตธรรมะก็ไม่จบอถ้าจบแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาไม่มีอะไรเล่าต่อมาแล้วเล่าแล้วเที่ยวดีแล้วจบเลยน่าหนาหมดเลยก็ต้องเหลียวไปบงังเห็นไหมอ่ายที่สุดนี้ก็ ขอใหอ้ทุกทัานได้เป็นผู้มีมรรคผล น, ผนิพพานนะเป็นที่หวังและ้ขอให้หมดทุกทางทางกาทางกายหมดไม่ได้เนาะหมดทุกใจก่อนที่ร่างกายมันจะหมดพลังโดยเถรนากันทุกท่านทุกคนถืน